เกิดมาในยุคที่ศาสนาตั้งมั่นอยู่ในบ้านในเมืองเราอยู่แล้วไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่ชาวพุทธมีตั้งหลายสิล้านนะในเมืองไทยมีสักกี่คนที่เป็นชาวพุทธแท้ๆมีไม่มากหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นพวกพุทธสาพุทธซ้อนอะไรงนั้นไปอะไรเขาว่าดีก็ว่าเฮงนันก็ตามกับเขาไปด้วยเมื่อปีก่อนสองปีก่อนดูสิมเราหันไปไหว้เทวดากัน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 มีแต่พร ะ, ะรัตนไกรเท่านนะั้นที่เป็นที่พึ่งของเราถ้าใจของเรายัางคลอนแคลนต่อพระรัตนไกรอยู่เรียกว่าใจเรายัางไม่ถึงธรรมะจริงหรอกอย่างพระโสดาบันนี่นะท่านเข้าถึงพระรัตนไกรจริงๆไม่มีวันคลอนแคลนเลยนะนี่พวกเรายัางไม่ได้เป็นโสดาบันศรัทธาของเราต่อพระรัตนตรัยยังเป็นศรัทธาที่คลอนแคลนได้อยู่นะพอมีผลประโยชน์มากๆเข้าก็คลอนแคลนไดนะ้บางทีก็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 อย่างพระอรหันต์เนี่ยนะท่านก็ยังมีกายมีใจมีขันห้าอยู่แต่ท่านไม่หยิบฉวยมันขึ้นมาท่านไม่ทุกนะขันห้านั่นแหละตัวทุกข์ถ้าเมื่อไหร่ไปหยิบมันมาก็หยิบเอาก้อนทุกข์มาด้วยนี่พวกเราก็ค่อยๆศึกษาวันหนึ่งเราเห็นได้ว่าถ้าเราไม่ไปหยิบฉวยเอาขันห้าขึ้นมาเราก็ไม่ทุกข์หรอกขันห้าน่ะทุกข์โดยตัวของมันเองแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยกายมันทุกข์ใจมันทุกข์นะแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเราคนละเรื่องกัน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 เราก็ไม่ไปหยิบฉวยเอากายเอาใจใหม่ๆขึ้นมาอีกนะเพราะว่ารู้แล้วว่ามันเป็นทุกข์การที่ไม่รู้ทุกข์นี่แหละเรียกว่าอาวิชชานะเพราะมีอวิชชาไม่รู้ทุกข์แจ่มแจง้งไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์นั่นะก็เลยเกิดตัณหาเกิดรูปธาตุขึ้นมานะเกิดการเข้าไปยึดในกายในใจขึ้นมานะมีชาติขึ้นมามีตัวมีตนมีเราขึ้นมาแล้วก็เลยมีความทุกข์ขึ้นมา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 ภาวนาต่อไปเนี่ยจิตมันจะรวมเข้ามาที่จิตนะจนมาเห็นนะืตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ว่าจิตที่ต้องไปยึดอารมณ์ถึงจะทุกข์นะตัวจิตแท้ๆน่แหลนะตัวที่มันยังไม่ทันยึดอะไรนะั่นเปนตัวทุกข์โดยตัวของมันเองตัวขันนั่นแหละตัวทุกขนะ์ถ้าอย่างนี้ถึงจะวางขันนะก็พ้นจากทุกข์ไปนี่มีปัญญาเป็นลําดับลําดับไปนี่พวกเราหัดภาวนาแรกๆเนี่ยต้องสร้างพัฒนาสตินะพัฒนาไปจนมาหนึงมีปัญญา ปัญญาขั้นที่หนึ่งก่อนปัญญาเบื้องต้นเห็นก่อนว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเอานี้ตรงนี้ก่อนยังไม่ถึงขนาดต้องไปละ ก, กามละปฏิฆาอะไรหรอกบางคนเรียนข้ามขั้นนะหลวงพ่อเมื่อก่อนไปกับน้องคนหนึ่งไปหาหลวงปู่เทศน้องคนนี้ไปเจอหลวงปู่เทศถามเลยทายังไงผมจะละกามได้นั้นละยากเพราะว่าใจมันยังอะไรอาวรณ์อยู่นี่ท่านบอกอะไรอาวรณ์อยู่ก็ละไม่ได้ทําไมนยังอะไรอวรณ์อยู่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 คนที่ฟังเนี่ยจะรับฟังแล้วจะเข้าใจได้ค่อยๆซึมซับธรรมะได้จะไม่เหมือนเรียนปริยัตินะเรียนปริยัตเข้าหูซ้ายมันก็ผ่านสมองนิดหน่อยแล้วก็หลุดออกทางหูขวาของที่ดีๆหลุดออกไปเหลือของไม่จริงเอาไว้ในสมองนะงั้นเราศึกษาธรรมะนะต้องต้องระมัดระวังนะอย่าให้ใจวอกแวกถ้า ใ, ใจวอกแวกนิดเดียวธรรมะก็จะเปลี่ยนไป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 เป็นกลางมีหลายแบบอนหนึ่งเป็นกลางด้วยการบังคับไว้เพ่งเอาไว้นี่เป็นกลางด้วยสมถะนหนึ่งเป็นกลางด้วยวิปัสนาเป็นกลางด้วยวิปัสนาเนี่เห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับรู้ทันความไม่เป็นกลางนี่ใจค่อยเป็นกลางขึ้นนี้พัฒนามาเรื่อยๆนะจนถึงวิปัสนาญาณตัวสุดท้ายเลยที่เป็นฝ่ายโลกียะอยู่ก็คือสังขารูเบกขาจิตมันเป็นกลางกับสังขาร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 แล้วก็ประคองใจให้นิ่งให้ว่างก็บอกว่าเป็นกลางแล้วนี้ไม่เป็นนะหรือบางคนความไม่เป็นกลางเช่นความยินดียินร้ายเกิดขึ้นสติระลึกรู้แล้วบอกว่าเป็นกลางอันนี้ยังไม่พอนะแต่เมื่อปัญญามันเกิดจริงๆเลยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นดีเห็นชั่วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดระดับทั้งสิ้นในใจมันยอมรับตรงนี้ใจมันเป็นกลางต่อความสุขความทุกข์ความดีความชั่วแพอใจเป็นกลางตัวนี้ใจก็หยุดความดิ้นรนหยุดความปรุงแต่ง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 อริยมรรคถึงจะเกิดขึ้นเกิดอริยมรรคขณะเท่านั้นไม่เกิดสองขณะนะแล้วเกิดอริยผลขึ้น 2- อสาขณะไม่เกิน3ขณะนะมีเท่านั้นเองแล้วจิตจะถอยออกมาสู่โลกภายนอกนี้กลับมาสู่จิตของมนุษย์ปกติอย่างนี้อีกนะนั้นมันจะมีกระบวนการนี้บางคนดูไม่ทันบางคนที่เข้าใจธรรมะแล้วดูได้ไม่ตลอดทั้ง7ขณะจิตเวลาตัดมี ม, มีดูไม่ทัน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 เอาแต่เพ่งอยู่ในความว่างๆพวกเราที่หัดดูจิตดูใจต้องระวังให้มากนะเมื่อดูจิตโดยใจไปช่วงหนึ่งแล้วเราทิ้งสมถะไปเลยเนี่ไม่ดีถ้าทิ้งสมถะไปช่วงหนึ่งเนี่ยจิตไม่มีแรงพอนะจิตจะไปหลงอยู่ในภพว่างๆแล้วคิดว่าเดินมิปัสนาไม่เดินแลนะหลวงพ่อเองเคยพลาดมาตรงเนี้หลวงพ่อทําสมถะมาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เจ็ขวบหัดทำสมถะมาก็ทําได้แค่สมถะนะพอมา รู้จักหลวงปู่ดูลนตอนนั้นอายุยี่แล้วท่านสอนให้ดูจิตตัวเองเพราะเราดูจิตเราเห็นสภาวะเกิดดับเราทิ้งวิปสมถะเลยรู้สึกสมถะนี่ไม่ดีเลยนะเราติดอยู่22ปีไม่มีประโยชน์เลยนะไปคิดอย่างนี้นะไปดูถูกสมถะเข้าไม่ทำสมถะเลยต่อไปนี้ดูแต่จิตอย่างเดียวดูไปดูไปนะั่นเบื้องต้นนะปีแรกๆเนี่ยกาลังของสมาธิที่เราทาไว้ตั้งนานเนะี่ยมันยังมีอยู่มันไปได้นะ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 คนที่มาเรียนานานๆไปก็ฟังรู้เรื่องเองแหละเพราะพวกเราก็จะเริ่มเห็นแล้วเราเห็นไหมเวลาจิตมีความอยากขึ้นมามันมีการโดดเข้าไปตักครุมอารมณ์ตรงนี้ใครเห็นบ้างมีไหมใครเห็นตรงนี้แล้วมีไหมมีคนเดียวหรือเป็นไปไม่ได้หรอกนะลืมไปว่าของเราจะไม่ไมีธรรมเนียมยกมือนะ <c oughs> ที่นี่จะใช้วิธีแบบพระนะถ้ายอมรับจะนั่งนิงน่งๆนะ <c oughs> ยอมรับแล้วนั่งนิงน่งๆ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 พระสงองค์เจ้าตั้งแต่สมัยพุท ธ, ธากาลศึกษาพุทธประวัติศึกษาสาวกประวัตินะพระองค์ร้นท่านทําอย่างนั้นอย่างนี้อ่านประวัติท่านแล้วจิตใจเราเพืเสริมจิตใจเราเบิกบานขึ้นมามีความสุขขึ้นมาเรารู้ทันลงไปอีกเนี่ยอย่างนี้เราก็กลับมาดูจิตได้ละหรือเราพิจารณาความตายนะชีวิตนี้ไม่แน่นอนเดี๋ยวเราก็ตายละอะไรนะคิดไปคิดไปนะใจมันสลดขึ้นมารู้ว่าใจสลดนี่กลับมาดูจิตได้แล้วเห็นไหม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 บางทีเห็นร่างกายนอนกลนครอกๆอยู่ได้เลยเคยเป็นไหมเคยเป็นค่ะเหมือนเหมือนตอนรู้สึกพลิกตัวคือหนูก็รู้สึกแบบเห็นร่างกายร่างกายมันนอนนะร่างกายไม่ตื่นหรอกตอนนั้นสั่งให้กระดิกนิ้วยังกระดิกไม่ได้เลยค่ะเพราะงั้นอย่าไปกังวลจริงๆนะร่างกายมันยังนอนอยู่แต่จิตโดยตัวหอมมันเองมันไม่ค่อยจะนอนอยู่แล้วเวลาที่ผ่านมานั้นจิตก็เอาแต่ฝันฟุ้งซ่านไปแต่ว่าเราเจริญสติมากๆเนี่ยพอจิตมันตื่นแล้วมันก็เจริญสติของมันอยู่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 ส่วนคนที่ส่งกันบ้านคนแรกอะ่ะอย่าไปประครับประคองจิตให้นิ่งติดสมถะนะไม่ประคองอยู่อย่าประคองไลยมันไปเลยให้มันทํางานอย่าไปกดเอาไว้ถ้ากดไว้มันไม่แสดงใจรักอ้าคนที่สามกราบคุณมาสักการหลวงพ่อค่ะคือว่าก่อนจะนอนนะคะก็คือเคยเคยเคยลองดูลมหายใจเข้าออกค่ะก่ อ, อนจะนอนนะคะอืแล้ว สักระยะหนึงค่ะมันจะหายไปเลยะคะ่ะแล้วก็ตามไม่ทันนะคะแล้วก็เลยมีความสงสัยนะคะว่าตอนเรานอนไปแล้วะคะ่ะจิตเราไปไห น, นะค่ะจิตลงผวังนะจะเข้าสมาธิเข้าฌานหรือไม่เข้าฌานอะ่ะตอนที่นอนหลับนี่จิตมันก็ลงผวังไปนะจิตมันไม่ขึ้นมารับรู้อารมณ์ใหม่จิตไปรู้อารมณ์เก่าๆคนะ่ะแล้วก็เคยเคยที่เคยรู้ว่าค่ะว่าจิต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 ว่าอะไรนะหลวงพ่อฝังไมไ่ค่อยออกไม่เคยปฏิบัติทำขอหลวงพ่อช่วยแนะนำหน่อยครับไม่ใช่ธรรมของหลวงพ่อหรอกนะหัดเจริญสติไปรู้จักคําว่าสติไหมรู้จักคําว่าเผลอไหมรู้จักเผลอบ่อยไหมวันหนึ่งบ่อยถ้าเผลอบ่อยคําว่าเผลอนะตรงข้ามกับสติเมื่อไหรเรารู้ว่าเผลอไปเมื่อนั้นสติจะเกิดขึ้นเองมันจะเกิดสิ่งที่ตรงข้ามขึ้นมาเลยนะพแม้ถ้ารู้ว่าเผลอเราก็รู้สึกตัวขึ้นมา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 เป็นภพของนักปฏิบัติเป็นพพของคนรักดีใจก็แน่นๆรู้สึกไหมก็ทุกแบบคนดี<ฮะ>เห็นไหมถ้าทําชั่วนะัก็แน่นๆแบบคนชั่วนะเราก็ค่อยรู้ทันจิตไปสร้างภพอะไรขึ้นมาก็ค่อยรู้ทันเอานะแล้วไง<ล>อีกก็สุดท้ายก็คือตอนไปฟังธรรมหลวงพ่อที่สุขโขทัยครับแล้วจิตมันไปห่วงชาวพูดว่าเวลาเราไปวัดที่เขามีการสร้าง เทพจตุคามหรือเทพองค์อื่นบ้างนะครับไปจําได้ว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้าเป็นพระเศขคารเนี่ยจะยึดมั่นในพระรัตนาตายอย่างเดียวไม่เชื่อเรื่องเทพองี้ครับไม่ใช่นะไม่ใช่ ค, คือชาวพุทธไม่ใช่ปฏิเสธเทวดานะชาวพุทธบูชาเทวดาได้ไหมบูชาได้พระพุทธเจ้าสอนด้วยซ้ําไปแต่ไม่ได้นับถือในฐานะสารณะที่พึ่งที่อาศัยเพื่อความพ้นทุกข์ เราเคารพเทวดาในฐานะที่เป็นคนดีครับเพราะงั้นเวลาเราเคารพเทวดาเนี่ยเราเคารพในคุณธรรมของเทวดาไม่ใ um ช่เคารพตัวเทวดานะเราเคารพคุณธรรมที่ทำให้เขาเป็นเทวดาคือการที่เขามีฮิริโอตปะนะแล้วก็น้อมนำธรรมะของเทวดามาสู่ใจของเราบ้างนะอย่างนี้เรียกว่าเราเคารพเทวดาเป็นครับเคารพเทวดาไม่เป็นไรนะบูชาเทวดาไม่เป็นไรมันก็คือการบูชาคนดีนั่นเอง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 ใจนี้ก็เป็นตัวทุกข์อีกนะเป็นอีกขั้นหนึ่งขอบคุณค่ะอย่างถ้าอยากอยู่ทำยังไงจะไม่ทุกข์ไม่ได้เพราะอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะปฏิบัติจากการฟังซีดีหลวงพ่อนะแต่ไม่ไม่ทราบบางทีสังเกตไหมว่าจิตกับกายก็เริ่มแยกออกจากกันดว อ, อกบ้างไหมครับรู้สึกไหมมันห่างห่างออกไป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 ดูสบายๆดูด้วยใจที่ปลกโล่งเบาขณะนี้ประคองแรงไปนะเอากายเป็นวิหารธรรมไปนะเห็นกายมันทำงานยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นคนดูคุณออฝึกมาแต่เดิมมันเป็นอย่างนั้นเราฝึกต่อยอดตรงนี้แหละเจ้าค่ะข้อที่สองนะเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธินะเจ้าค่ะจะมีความรู้สึกมันจะแน่นตั้งแต่หน้าอกขึ้นมามาถึงหน้าแล้วก็เหมือนกับมึนเลยเจ้าค่ะเราไปข่มจิตมากไปเวลานั่งสมาธิไม่ใช่นั่งบังคับจิต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 ดูจิตไปเลยเลยเออไม่ใช่ดูจิตไปก่อนครับข้อนหน้าต่อไป <c oughs> เห็นไหมขาดสติตอนยืน่นไม้เรื่องออกไหมเผลอเอรเอรว่าเผลอแค่นี้เองนะไม่ใช่ห้ามเผลอยื่นไม้ก็อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะกลับมาสัการหลวงพ่อค่ะให้หลวงพ่อช่วยดูวิธีทใช้ได้อยู่แล้วไปทําต่อไปใจมันตื่นขึ้นมาแล้วคอยรู้สึกเอา มันรู้กายบ้างรู้ใจบ้างนะถึงเวลาก็ทําในรูปแบบทําความสงบเดินจงกรมทําสมาธิอะไรก็ทําไปที่ฝึอกอยู่ใช้ได้แ ล, แล้วอีกเรื่องหนึ่งคือหนูรู้สึกว่าเฝือคนรอบข้างลำพานคนรอบข้างอะไรเงี้ยชอบ<ะ>อยู่คนเดียวรู้สึกลำพานคนรอบข้างอ่ะไปทําอะไรคนรอบข้างไม่ใช่หมายว่าแบบกันหมู่มากๆเงี้ยหนูรู้สึกไม่ไม่เคยชอบค่ะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบนะนักปฏิบัติที่แท้จริงเนี่ยไม่มีความเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเลย อยู่ในสิ่งแวดล้อมไหนก็ได้อยู่ที่บ้านนี่ก็ภาวนาอยู่บนถนนรถติดอยังไงก็ภาวนา <S <S <S ไม่ใช่ว่าจะรักอันนี้จะเกลียดอนน้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นตรงไหนที่ไม่ชอบนั่นแหละไปภาวนามันตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละกิเลสเยอะดีหลวงพ่อหนะ้าภาวนาได้ดีที่สุดนะตอนทำงานอยู่ที่ทำงานแรกๆนะโอ้ยเครียดตลอดเลยตรงนั้นแหละภาวนาดี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 ขอเข้ามาหาวิทยาลัยให้ได้โอ้โหเธอเลือกคณะที่ฉันไปสอบเองฉันยังเข้าไม่ได้เลยใครจะไปช่วยใครใช่ไหมว่าไปกรับมาหลวงพ่อเจ้าค่ะขอโอกาสถามปัญหาค่ะครั้งนี้มาครั้งแรกออดใ จ, จยาวนิดหนึ่งนะคะฮะอย่ายาวสิจริงๆเนี่ยปัญหาการปฏิบัติเนี่ยไม่ยาวหรอกพงศวดาลถึงจะ ย, ยาวมีปัญหาอะไร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 เห็นไหมพงสวรดราจไม่สําคัญหรอกกลับแมาสักตการธ์รู<ล>สภาวะโลกปัจจุบันไปน ะ, ะส่งกันบ้างครับมาเมื่อเจดเดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าผมกดกับเพงอยู่ไม่ทราบว่าตอนนี้ผมยังกดกับเพงอยู่ไหมครับแล้วบอกหลวงพ่อซิยังกดและเพงอยู่ไหมหลวงพ่อบอกให้ไม่สําคัญหรอกสําคัญว่าเห็นไหมครับเพราะว่าพอผมกลับจากหลวงพ่อแล้วผมเริ่มปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนนะครับ แล้วก็นั่งสมาธิมัากสวดมนต์มากแต่ไม่ทุกวันนะครับรู้สึกว่าตัวเองมีความขี้เกียจมากขึ้นพกอยู่ในกิเลสมากขึ้น้ hey, กามต่างๆพ่อไม่ได้สอนให้ขี้เกียจนะไม่ได้สอนให้ครุกลายกิเลสนะความรู้สึกครับความสอนสให้ค <ผม S 2> อย <ผม S 2> อรู้ทันมันครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าเบาๆโล่งๆนะครับตรงเบาๆโล่งๆเนี่ยไม่ประคองรักษานะครับผมแล้วคอยรู้กายคอยรู้ใจดูมันทํางานไปเรื่อยไม่ขี้เกียจ ดูเขาทํางานไปถ้าเอไอพอโล่งแล้วจับไว้ในโลกนี้เสร็จเลยอะติดในความโล่งความว่างไม่ดีไม่เดินปัญญาหรอกนะอยากได้กันบ้านต่ อ, อครับผม<ป>ต้องดูกายหรือดูจิตครับไปไปเดินจงกรมไว้นะเดินจงกรมไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูฝึกนี้บ่อยๆแต่ไม่ประคองจิตไว้แล้วไม่ไปเพ่งกายด้วยนะเดินจงกรมไปเห็นร่างกายมันเดินไปเรืยเดินไปเดินไปใจแอบไปคิดรู้วใจไปคิดนะคอยรู้กายคอยรู้ใจไป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 กิเลสตัวไหนเกิดบ่อยดูออกไหมหลงครับเ อ, อ๊หลงเกิดบ่อยถ้ารู้จักหลงก็ใช้ได้แล้วถูกแล้วใช่ไหมครับถูกแล้วแต่ตอนนี้จิตเป็นไงบอกให้ชื่นใจซิหลงประคองไว้แล้วครับขอ บ, ขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะกลับมาณสการหลวงพ่อนะคะก็เพิ่งเคยมาฟังทำครั้งแรกอะคะ่ะก็อยากจะให้หลวงพ่อแนะ น, นะะํามาค่ะว่าเออถ้าอยากจะศึกษาทางนี้หนูคนจะเริ่มยังไงก่อนค่ะหืมฟังไม่ออกอะ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 ติดซึมติดสมาธแล้วก็ให้เจริญสติในชีวิตประจำวันยังไม่ต้องนั่งสมาธิแต่ตอนนี้จะมาถามหลวงพ่อว่านั่งได้แล้วนั่งได้แล้วค่ะแล้วก็ทาสมาธได้แล้วได้ได้ทนะแต่อย่าน้อมใจส่วนมากพอคิดถึงสมาธเนี่ยชอบน้อมใจให้ซึมกันตัวนี้ผิดแล้วสมาธจริงๆคืออะไรสมราเนี่ยนะมันไปแก้ความฟุ้งซ่านของจิต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 ที่ปฏิบัติมาจากฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือมานะก็คือพอบางครั้งนี่ก็เหมือนว่าพอเริ่มเริ่มบางทีก็สักแป๊นี่ก็รู้ว่าเผล อ, อหรือหลงอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแล้วเนี่ยใช้ได้ก็ก็ก็ตามรู้ไปเรื่อยๆก็รู้ไปนะจิต ข, ของคุณ<ๆ>ก็เปลี่ยนไปแล้วคุณรู้สึกไหมรู้ครับว่ารู้สึกไห<ว><ว>เหมือนโลกมันห่างออกไปแล้วว่าว่าเดี๋ยวนี้คือกับเมื่อก่อนที่ออไม่เหมือนกันแล้วไม่เหมือนกันคือใจมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใจเลย เรียนกับหลวงพ่อนะถ้าไม่ดื้อนะเราก็ไม่ติดเพง่งไม่คิดมากนะส่วนมากดื้อที่แก้ยากถ้าดื้อกับเพ่งเนี่ยนะรวมกันอยู่ในคนเดียวกันเนี่ยชาตินี้คงยากเลยถ้าไม่ดื้อเนี่ยยังแก้ง่ายแต่แต่บางทีก็บางทีก็มีความรู้สึกที่จะดื้อต่อต้านเหมือนกันแหละรู้ทันมันไปโดยนิสัยมันชอบดือ้อครับเรบารู้ทันหอ<บ>ว่บาวบางทีรู้ แต่พอรู้ก็บางทีพอมันนึกอีกทีว่าเมันไม่ใช่ก็ก็ปล่อยปล่อยวางไปนะคือ <ไป S 2> ถ้าไม่ดื้อในนะเรียนแค่หลวงพ่อเดือนเดียวนะจิตก็เปลี่ยนแล้วคุณรู้สึกไหมจิตคุณเปลี่ยนครับก็คือปกก่อนมานี่ฟังซีดีมาก็ประมาณเดือนกว่าคือเมื่อก่อนนี้ก็เคยไม่ไม่ไม่เคยรู้เรื่องเลยมาเลยนี่นแหละเรียนจริงๆนะสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะแล้วก็ไม่ดื้อ น, นะไม่ติดตดเพ่งเฉยๆอยู่เนะี่ยตามรู้ตามดูตามฟังไปด้วยใจมันจะถอนตัวขึ้นมา รู้สึกไหมมันเหมือนใจมันแยกออกถอนตัวขึ้นมาเมื่อก่อนมันจะมันเข้าไปคลุกตอนนี้มันก็จะเมื่อก่อนเนี่ยจิมจะเข้าไปเกาะอารมณ์เป็นทุกคนแหละพอได้ฟังธรรมะนะจิมถอนตัวขึ้นถอนเองเลยก็จะสบายเออแต่อย่าประคองนะถ้าพอถอนออกมาแล้วมาประคองให้อยู่ติดอีกแล้วก็มาติดประคองอีกติดประคองไม่ดีติดอะไรก็ไม่ดีข้างนั้นแหละต้องปล่อยวางให้มันมันวางไปเองมันวางเองประคองแล้วรู้ว่าประคองมีหน้าที่ให้รู้ทันนะไม่ใช่หน้าที่วางนะ หน้าที่วางเป็นหน้าที่ของปัญญาปัญญาจะเป็นคนวางเองไม่ใช่เราวางหมดยังขอบคุณครับกลับนำ้ำชิคานกลับน้ำชิานหลวงพ่<ป>อหลวงพ่อนะครับก็ปฏิบัติมาพ็ระยะระยะหนึ่งแล้วก็ด้วยการฟังซีดีหลวงพ่อบ้างเราในชีวิตประจําวันก็เเดินจงกรมนั่งสมาธิกอ น, นอนแล้วเช้าก็มีสดมน้ำแล้วก็สังเกตเปลี่ยนแปลงไหมก็เห็นครับก็สังเกตดูเอตามรู้ตามดูอารมณ์แล้วก็จ <ừ. S 2> ิต ทำ ต, ตลอดเวลาอยู่ใน อ, อ, อยู่ในชีวติตประจําวันสังเกตไหมใจเราแยกออกมาเห<อ>มือนใจเราแยกออกมาดูออกไหมก็เห็นบ้างครับนะครับแยกออกมาเราก็ไม่ประครองนะไหลกลับไปรวมเราก็ไม่ว่าครับ่อยรู้เฉยๆมันจะถอนตัวขึ้นมาเองในสุดจิตกับขันเนี่พลากัอเกี่ยกันไม่เกี่ยวกันแนละ้วเราอยากทํามหลวงพ่อว่าที่ปัจจุบัดอยู่ตอนนี้นี่ใช้ได้แล้วไม่ฝึกอีกนะขยันดูไปได้ของคุณจะดูจิตนั่นหมอแล้วครข้อต่อไป การนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเอคือตอนนี้เวลาปฏิบัติเวลานั่งโดยไม่หลับตาจะมีความรู้สึกว่าจิตวอกแวกมากเลยเออก็เลยหลับตานั่งสมาธิอยู่สักพักก็รู้สึกปวดขาอพราะว่าจะเป็นโรคที่ปวดที่ข้อนะคะก็เลยนอนทีนี้พอนอนไปก็จะหลับไปเลยอเป็นไม่สิ่นั่งสมาธิแล้วปวดขานะก็ย้ายมานั่งเก้าอี้เออ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 ท่านนี้บางทีเวลาหนูนั่งสมาธิไปเหมือนจิตมันรวมแล้วลงไปลึกแล้วก็มันเหมือนกับจิตเราวิ่งไปเป็นโพรงอะ่ะโพลงลึกเข้าไป อ, อย่าไหลาตามมันไปนะไม่ตามใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ตามมันไปนั่นคือสมาติาธรรมาาเท่านั้นนะไม่ตามไปถ้าตามไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดโพรงเนี่ย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 บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกพอเราอยู่กับลูกกับสามีหรือกับแม่ค่ะบางครั้งเรารู้สึกจิตมันคิดขึ้นมาปุ๊บว่าเอลูกเราสามีเราหรือแม่เราเหมือนเป็นวัตถุธาตุก้อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมไม่รู้ว่าเป็ น, นเพราะว่าเราคิดไปเองหรือว่าจิอมันรู้สึกหระรู้สึกแว บ, บหนึ่ง<อ>ขึ้นมาค่ะเออ่รู้สึกขึ้นมาใช้ได้ทั้งๆที่เราเนี่ยเอ่อกอดลูกเล่นกับลูกอยู่แต่เราก็รู้สึกว่าลูกเราคือ ก้อนธาตุก้อนหนึ่งออคื อ, อ น, นึกถึงคําที่อาจารย์พูดเราก็แยกนะสองส่วนความจริงสองส่วนคือสัจจะสองส่วนปรมัตสสัจจะมันก็เป็นก้อนธาตุอันหนึ่งโดยสมมติสัจจะเป็นลูกของเราอันนึ่ง<ฆ>เป็นลูกเราเพราะฉ<ฆ>นั้นเราก็มีหน้าที่นะปฏิบัติต่อปรมัตสอย่างถูกต้องปฏิบัติต่อสมมติอย่างถูกต้องไ ม, ม่ใช่ว่าเออไม่ใช่ลูกเราแล้วเอาไปปล่อยทิ้งที่ไหนก็ได้ก็เลยมีคําถามลุงข้อสองเรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือ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 เหมือนที่หลวงพ่อเคยเป็นนะที่อาจารย์มหาบัวบอกที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วละ่ะครับไปอยู่นอกๆแล้วครับแล้วการปฏิบัติที่ผ่านๆมาที่ที่ยังไม่ใช่สภาวะนี้ฮะที่เป็นเรื่องของการเข้าใจว่าเออสติเนี่ยพอฝึกไปเรื่อยสมาธิก็มาอืมครับปัญญาก็จะเกิดไม่ไม่ใช่การพิจารณาไต่ลักษแล้วจะเป็นเรื่องของการความเข้าใจแต่คว <ใจ S 1> าม<ะ>เข้าใจนะแล้วก็จเจริญสติไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นปัญญามก็มีขึ้นมานะคครรัับบ ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดตอนนี้จิตไม่ตั้งมั่นจิตมันกระจายออกไปไม่ถึงฐานนะอ่ะสอไปหมดแล้วครับเอหมดแล้วเหรอสอบตรวจการบ้านเนี่ยนะเป็นเวลาที่เหนื่อยที่สุดเลยก็สุดท้ายนี้ขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลุงชินแห่งนี้นะครับร่วมกันถวายทานแด่พระอาจารย์นะครับ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 อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิชโตสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดพนารโสยถ า, ามณีโชติระโสยถ า, าสัพพิีโยวิวัตชันตูสัพพโรโพวินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคาโยโกภาวะ อาภิวาธนาสีลิสนิจจังมุธาปัจจายโนจตตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังภาลังภาวนานะอย่าทิ้งเวลาเปล่าๆแป๊บหนึ่งก็จะสิ้นปีอีกแล้วนี่จะครึ่งปีแล้วภาว่นาไป